เจ็ดนันทิยะสูตรว่าด้วยเจ้าสกยะพระนามว่านันทิยะหนึ่งพันเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงกบิลพัทพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเจ้าสกยะพระนามว่านันทิยะผู้ประทับนั่งณที่สมควรว่ามหาบอ่อพิษอริยสาวกผู้ประกอบได้ทำสี่ประการเป็นโสดาบัน ไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าทำสี่ประการอะไรบ้างคืออริยะสาวกในธรรมวินัยนี้หนึ่งประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคสองประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมสามประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์สี่ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิมหาบอพีธ อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้เป็นโสดาบานันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้านันทิยสูตรที่เจ็ดจบ